ดารินยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้ามองอย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปยังเงาดำทมึนของร่มไม้ใหญ่เหนือสีสักอาการของหล่อนงุนงงสับสนแต่สู้สะกดสงบนิ่งไว้กายสั่นเทิมเป็นระลอกริว้วเสียงเพลงจากแงซายในฝันยังวี่วแววอยู่ในโสดของหล่อนจำได้หมดทุกประโยค ทุกข้อความและหลอนสามารถที่จะทบทวนได้ชนิดไม่ตกหล่นข้อความเนื้อหาของบทเพลงนั้นมันถ่ายทอดความในใจของหลอนออกมาโดยแท้ใช่สิป่านนี้คู่ใจของหลอ น, อ ย, ล อ, นอยู่ที่ไหนกันแน่นแนบนยอดศักด์ดำที่พำนักกันอยู่ในคืนนี้สงบราบคาบปราศจากเงื้อมเงาภัยใดๆ ที่จะกล้ำกลายเข้ามาทั้งสิ้นเสมือนหนึ่งมีตาไข่เพชรมาช่วยปกคลุมครอบป้องกันไว้ให้คงมีแต่เสียงลมดึกพัดผ่านโตรกินเป็นสำเนียงโหยหวนว่าปิวในอารมณ์เท่านั้นจะ ก, กระจันเรไรแล ะ, มะแมลงกลางคืนแซ่ร้องประสานเสียงเหมือนดนตรีกล่อมราวไพ มันเป็นราตรีกลางไพรพฤกที่สงบสุขที่สุดราตรีหนึ่งภายหลังจากสัญญาณอันตรายเมื่อตอนหัวค่ำผ่านพ้นไปแล้วด้วยบารมีอำนาจของพระอาราหันตเจ้าที่แผ่ปกไว้รอนคงไม่อาจสะกดใจนอนให้หลับต่อไปได้ใส่แล้วใจเต้นระทึกสั่นน้าตาไหลรินอยู่คนเดียวในความมืด แล้วก็มารู้สึกตัวเมื่อฝา่อฝามืออ่อนโยนของชัยยันผู้นอนชิดอยู่ทางด้านขวาเอื้อมมาแตะซับให้ <c oughs> มันแปลว่าเขาไม่ได้หลับและรอบสังเกตดูหล่อนอยู่เงียบๆตลอดเวลานับตั้งแต่ตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมเชิฐาและอนุชาผู้ตอนนี้คงจะนอนหลับไปแล้วดารินจับฝ่ามือของเพื่อนผู้สนิทสนมรักใคร่เหมือนพี่ชายคนหนึ่ง หมกตําไวแน่นน้อยฉันรู้นะว่าเธอกำลังได้รับความสะเทือนใจอะไรอย่างมากที่สุดในความฝันชายันกระซิบพูดด้วยเบาที่สุดในภาวะเช่นนี้ดูเหมือนจะมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่อ่านความรู้สึกภายในของหล่อนออกและปลอบโยนมาดารินข่มเสือื้น เธอมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจฉันได้ดีกว่าพี่ชายทั้งสองของฉันจะอีกเฉยๆหล่อนกระสิบตอบคําแผ่วเครือถธอหลับสนิทหรือเปล่าก่อนจะพูดพลาดตื่นขึ้นมานะฉันบัดฉลับสนิทและสบายมาตลอดนะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยความรู้สึกมันเหมือนเคลิมเคลิมขณะที่เห็นแง่ทรายและได้ยินบทเพลงของเขา มันเหมือนจะมีอะไรมาปลุกขึ้นจากหลับแต่ว่าสะกดเอาไว้ให้ขยับเขยื้อนไม่ได้เท่านั้นฉันมองเห็นเขาชัดเหลือเกินนะชยันแม้จะอยู่ในภาวะหลับตาก็ตามหมายถึงแง่ายนั่นเหรอใช่รวมทั้งบทเพลงของเขาด้วยเธอเห็นยังไงน้อยอยู่ๆเขาก็เห็นเขายืนพิงอยู่กับก้อนหินใกล้ๆ ตรงที่ชี้ให้ดูนั่นแหละเป็นแงซายคนเดิมกับสมัยที่เดินป่ากับเราไม่มีผิดไม่ใช่ลักษณะของจักรราชถ้าเห็นครั้งใดก็ลักษณะนี้ทุกครั้งไปเจว่าฝันมันก็ใช่ที่เสียงเพลงของเขายังก้องอยู่ในหูจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จําได้หมดทุกข้อความภาพของเขาที่มายืนอยู่ตรงนั้นก็ติดตาอยู่จนเดี๋ยวนี้แหละน้อย เธออาจจะคิดถึงแง่ทรายขึ้นมาสักแวบนึงก็ได้ก่อนที่จะหลับไปอะ่สะสบานนะชายันว่าฉันไม่ได้คิดถึงแง่ทรายในคืนนี้เลยแต่ฉันคิดถึงรบพินแล้วก็คิดถึงทุกขนาดจิตด้วย hmm. มันก็แปลกนะน้อยระหว่างเธอกับระพินจะต้องมีแง่ทรายเข้ามาเป็นตัวกลางเชื่อมโยงอยู่เสมอเธอไม่ได้ฝันเห็นระพินเลยเห็นแต่งแง่ทราย และขณะที่เห็นแง่ทรายก็หมายถึงว่าเขาเป็นสื่อกลางเหมือนจะบอกความในอะไรไปถึงระพินทุกครั้งไปไม่ใช่เหรอใช่เธอพูดถูกแล้วละ่ะเชยันเป็นอย่างนั้นแหละแง่ทรายมีอาการเหมือนจะมาบอกความอะไรกับฉันเกี่ยวกับระพินเพียงแต่ไม่บอกให้กระจ่างชัดเท่านั้นมันคลุมคลุมเครือรยังไงพิกลดูเป็นปริศนาไปหมด ยากที่จะทำนายยากที่จะคิดออกเขามาเพียงให้เธอเห็นแล้วก็ร้องเพลงอะไรที่ว่านั้นให้ฟังเท่านั้นเหรอน้อยือมใช่เพราะฉันตื่นลืมตาร้องเรียกหาเขาภาพนั้นก็หายไปนี่น้อยถ้าที่เราเคยรู้จักแงา้ายเป็นสิ่งลึกลับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะและบัตนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเธอ ก็จริงเป็นสิ่งลึกลับที่สุดฉันไม่เห็นเป็นสิ่งเหลวไหลไร้สาระเหมือนพี่ชายของเธอทั้งสองหรอกเพราะถ้ามีแง่ทายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อไหร่มันก็ปรากฏผลเป็นความจริงขึ้นมาทุกทีในทุกเหตุการณ์เออแล้วก็มาร้องเพลงอะไรให้เธอฟังละ่ะดารินบอกให้ชั ย, ยันทราบทุกถ้อยความที่หล่อนจําได้ทั้งหมดโดยไม่ตกหล่นเลยด้วยเสียงแผ่วกระซิบ พอฟังจบชยันก็มีสีหน้าประหลาดใจนั่นมันความในใจของเธอเองในขณะนี้ไม่ใช่เหรอน้อยดารินไม่ตอบแต่ยกมือทั้งสองปิดหน้าซ่อนน้ำตาเพื่อนชายวางมือลงบนไหลบีบหนักนวงกล่าวปลอบโยนต่อมานี่น้อยพรุ่งนี้เราก็จะถึงห้วยเสือร้องแล้วแล้วที่นั่น เราก็จะได้ข่าวรับพินอย่างชัดที่สุดอนอนเอาแรงไว้ดีกว่าน้อยดารินสันสีรษะน้อยๆ้ัยชยัฉนยฉันยังคงนอนไม่หลับรมันว้าหุ่นไปหมดแล้วแล้วก็ดูเถ อ, เอเพะพอหลับตาครั้งไรฉันก็มองเห็นแง่ทายอีกแล้วเห็นเขาเดินวนเวียนรอบรอบแคมป์ของเรานี่แหละ เหมือนสมัยที่เขาเคยอยู่ยามในเวลากลางคืนตอนที่เราออกเดินป่าในครั้งนั้นนน่นไงไปนั่งที่โขดหินก้อนโน่นอีกละหันหลังให้มีอาการเหมือนจะโยนฟืนเข้ากองไฟอย่างนั้นแหละดารินเอามือข้างหนึ่งชี้ออกไปยังบริเวณโขดหินอันว่างเปล่าที่เป็นตำแหน่งกองไฟสูงอยู่ทั้งที่ยังหลับตาชยันมองตาม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 เธอวาดภาพเงาทรายไปเองขึ้นเองอ่ะน้อยไม่มีเงาทรายอยู่กับเราด้วยนี่ไม่ว่าขณะ น, นี้หรือเวลาไหนเพราะมันเป็นสิ่งหรือวิสัยที่จะเป็นไปได้แต่จะยังไงก็ตามการเห็นภาพของเงาทรายย่อมเป็นลางบอกเหตในด้านดีงามเป็นมงคลแก่ตัวเธอและพวกเราทุกคนเพราะเงาทรายนะ่ะเป็นผู้ที่จงรักภักดีกับพวกเราที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเธอเอง เห็นไงทายน่ยยังดีกว่าเห็นในพวกผีร้ายหรือสิ่งอัปมงคลต่างๆนะเธอน่าจะสบายใจได้ชยันมันยิ่งทำให้ฉันคิดถึงเขาคิดถึงความหลังครั้งเก่าๆแล้วก็ทรมานใจขึ้นไปอีกนะสิดารินระเบิดความรู้สึกอัดอั้นปันใจออกมาชยันถอนใจเบา เขาเข้าใจความรู้สึกภายในของเพื่อนสาวดีที่สุดแต่ก็ไม่ทราบจะพูดปลอบโยนยังไงต่อไปได้ท่ามกลางอารมณ์อันมนมัวเศร้าหมองรันทดใจของหล่อนในขณะนี้จึงได้แต่นอนเคียงไหลกงมือหล่อนไว้เช่นนั้นครูใหญ่ต่อมาภายหลังจากเห็นชยันเงียบไปนานแล้วดารินขยับตัว ค่อยๆปลดมือเพื่อนที่นอนเคียงกันอยู่ออกขยับตัวลุกขึ้นอย่างแผ่วเบาที่สุดเวยไรเฟิลนประจำตัวแล้วไฟฉายย่องออกจากที่นอนแต่แล้วก็ชะงักกึกเพราะฝ่ามือของชา ย, ยันเหนียวไหลไวอย่าห่วงฉันเลยชา ย, ยันเธอนอนเถอะฉันไม่ไปไหนหรอกแค่ออกไปนั่งผิงไฟตรงนั้นหน่อยเท่านั้นแหละ อดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนร่วมตายดึงตัวขึ้นคว้าปืนเช่นกันอไปงั้นฉันไปนั่งเป็นเพื่อนเธอด้วยแล้วกันรู้สึกว่านอนเต็มอิ่มมาแล้วเหมือนกันแม้จะต้องการอยู่ตามลำพังสักเพียงไรก็ตามดารินไม่สามารถจะปลีกตัวได้พระชยันซอชัดให้เห็นว่าจะไม่ยอมให้หลอนห่างไกลคลาดสายตาเป็นอันขาดจึงจาต้องยอมให้เขาติดตามมาด้วย ทั้งสองค่อยๆเคลื่อนออกจากที่นอนเดินช้าๆจะบ่ายหน้าไปยังกองไฟทางด้านปลายเท้าที่เห็นใกล้ที่สุดแต่พอย่างไปได้แค่สามสี่ก้าวเท่านั้นเสียงเรียบๆของเชษฐาก็ดังไล่หลังมาเบาๆว่าอย่าออกนอกพ้นบริเวณแคมเป็นอันขาดนะทั้งสองคนแหละทั้งสองสะดุดกึกนิดหนึ่ง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 โดยมีชยันตามหลังมาเงียบเงียบหล่อนเดินตรวจไปตามบริเวณพักนอนของพวกลูกหักจนทั่วทุกคนกําลังขดคูตัวนอนหลับสนิทอยู่ตามตําแหน่งต่างๆรอบๆ บ, บริเวณโดยแยกย้ายกันออกเป็นกลุ่มๆเดินตรวจไปพลางหล่อนก็นับจํานวนไปด้วยว่ามีใครขาดหายไปบ้างหรือไม่เมื่อเห็นว่าครบหมดทุกกลุ่ม ทุกคนก็เดินก็ย้อนกลับมายัางที่นั่งกองไฟอันกำลังจะมอดดับโยนเศษไม้แห้งเข้าไปเพิ่มเติมพอลมพัดกันโชคมามันก็ลุกพรึบเป็นเปลวขึ้นวอมแหวมตาของหญิงสาวมองจับอย่างปราศจากความหมายอยู่ที่เปลวไฟในกองนั้นควักบุหรี่ออกมาจุดสูบช้าๆชายันสุดกายลงนั่งบนก้อนหินริมกองไฟ ยืองออกไปเล็กน้อยมองจับอยู่ที่ดารินเงียบเงียบเขาเห็นหล่อนพาดไรเฟิลไว้บนตักสอกทั้งสองตั้งยันกระลำไรเฟิลที่พาดขวางนั้นวางคางไว้ในฝ่ามือประคองทั้งคู่ช้าชานานๆ า, านก็จะเอาบุรีเข้าริมฝีปากดูดแดงวาบสักทีหนึง่งมีอาการเหมือนตกอยู่ในพวัง เดี๋ยไม่สนใจว่ามีเขามานั่งเป็นเพื่อนอยู่ด้วยเสียงไก่ป่าขันเจื้อยเย็นเยือกสวงมาจากที่ใดที่หนึง่งไกลแสนไกลแล้วก็เงียบไปชยันถอนใจยาวอีกครั้งเอามืออังไฟอุ่นๆของเปลวไฟในกองแล้วยกขึ้นมาลูบที่หน้าตนเองอุทานออกมาเบาๆ เห็นอาการของเธอแล้วฉันก้มใจจริงๆดูดูไปเหมือนคนใกล้จะบ้ากันไปเต็มทีแล้วนะเนี่ยโดยไม่ได้มองที่เพื่อนเลยดารินบอกเบาๆช้าๆมาว่ากลับไปนอนซะเธอไปเชยันอย่ามาเอาใจใส่อะไรกับฉันให้มันมากนักเลยเท่าที่อุตส่าห์สละลูกสละเมียมากัะชั้นด้วยนี่ ก็ซึ้งน้ําใจอย่างที่สุดพี่ชายสองคนก็ยังไม่มากังวลอะไรกับฉันมากมายอย่างนี้เลยไอเรามันคนขี้ใจอ่อนกีสงสารชะยันพูดโผล่ออกมาง่ายๆตามแบบฉบับของเขาแล้วก็บอกตรงๆว่าเคยรักมาก่อนแต่พรมนิกคิดมันหักเห ก็เลยต้องแยกทางรักกันออกไปคนละทางเพรอยความรู้สึกลึกซึ้งที่มันฝังอยู่นี่แหละทำให้ฉันพลอยทุกร้อนไปกระเธอด้วยหนักกว่าพี่ชายสองคนของเธอซะอีกดาริงยิ้มเศร้าๆเหลือตาขึ้นผ่านกองไฟศบตาเขาเชยันถ้าฉันคิดรักเธอซะแต่เนิ่นๆ และแต่งงานกันไปสะตั้งแต่ครั้งกระโนนก่อนที่จะออกเดินป่าติดตามหาพี่กลางฉันก็คงไม่ต้องมาทนทุกขเวทนาอยู่เหมือนอย่างขณะนี้นะอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้เปรียบเสมือนเพื่อนตายหัวเราะขันขันยกมือโบกคนเราฝืนลิขิตชีวิตไม่ได้หรอกน้อยฉันรักเธออย่างคนรัก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 ฉันไม่รู้จะพูดยังไงถูกนะเธอเสียสละให้ฉันมากเหลือเกินในการที่ทิ้งลูกเมียมาคราวเนี้ยน้อยมันมีความรักความห่วงใยอยู่หลายอย่างเหลือเกินนะที่ฉันตัดสินใจมาในคราวนี้ไอประการแรกฉันเชื่อว่าลูกเมียฉันสบายแล้วไม่น่าห่วงอะไรแต่คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดมีอยู่ถึงสามคน เชษฐาอนุชาแล้วก็ตัวเธอเองฉันจะปล่อยให้มากันตามลำพังสามคนพี่น้องได้ยังไงในเมื่อครั้งก่อนก็มีฉันร่วมอยู่ด้วยและอีกคนหนึ่งที่สำคัญที่สุดโดยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นตายร้ยดีอยู่ที่ไหนคือระพินไพรวันฉันก็เหมือนกับเธอแหละน้อยแม้จะแยกความรู้สึกปรกย่อยออกไปคนละประเภทก็ตามจะปล่อยให้เพื่อนตายคนหนึ่ง ที่เคยช่วยชีวิตฉันมาหลายครั้งต้องถูกทอดทิ้งตามยถากรรมได้ยังไงมันผูกโยงเชื่อมสายใยกันอยู่หลายชั้นหลายเชิงอย่างนี้ฉันจึงต้องมาแล้เมียฉันก็สั่งให้ฉันมาถึงเมก็เหมือนกันถ้าไม่ติดขัดเรื่องเพิ่องคลอดรรยนั้นไม่มีวันทิ้งเพื่อนหรอกต่อให้ความตายมาขวางอยู่ข้างหน้าก็ตามฉันคงใจใชยัน ฉันเชื่อในสิ่งนั้นเพื่อนจะรู้น้ำใจเพื่อนพี่น้องจะรู้น้ำใจกันก็ต่อเมื่อถึงคราวคับขันและยามทุกยากที่สุดอย่างนี้แหล ะ, อะเอากาแฟสักแก้วไหมเชยันฉันจะต้มให้ว่าแล้วดารินก็ขยับตัวจะลุกขึ้นแต่เพื่อนชายโบกมือไม่ต้องรบกอยฉันอยากจะชวนเธอไปนอนต่อมากกว่า ไอ้ลุกขึ้นมานั่งดูกองไฟเนะี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ตามออกมาด้วยก็เพราะไม่แน่ใจว่าเธอจะเกิดบ้าเดินออกนอก ok, แคมป์ไปเมื่อไหร่บอกตรงๆอ่ะไม่ไว้ใจเชยันฉันขอร้องเธออย่างได้ไหมหล่อนพูดเสียงแผวแต่หนักแน่นชัดเจนอะไรล่ะฉันต้องการนั่งอยู่ตามลำพังคนเดียวเงียบเีย สำหรับเธอนะกลับไปนอนซะอย่ามาคอยนั่งเฝ้าฉันอยู่อย่างนี้เลยสติสัมปชัญญะของฉันก็ยังพร้อมมูลไม่บ้าไปอย่างที่เธอกลัวหรอกถั้นสัญญาก่อนสิน้อยว่าเธอจะไม่ออกไปนอกบริเวณแคมป์นี่อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะในกรณีใดทั้งสิน้นดารินส่งมือให้เขาจับตกลงสัญญาดี ถางั้นฉันก็ไปนอนละก็เชื่อมืออยู่นะว่าภาสติสัมปชัญญะพร้อมไรเฟิลอยู่ในมือก็ไม่นาจะมีอะไรให้ห่วงนักสำหรับลูกศิษย์เอกของรพินไพร์วันคนนี้ฉันเข้าใจดีบางทีคนเราก็ต้องการอยู่ตามลำพังคนเดียวนิบเงียบเหมือนกันว่าแล้วชายันก็หาวอดแล้วลุกขึ้นฉายไฟตรวจดูไปรอบๆ บ, บ, บริเวณอีกครั้ง จากนั้นก็เดินกลับไปยังที่พักนอนอย่างง่ายๆปล่อยดารินวราฤทธ์ไว้ตามลำพังบัดนี้ดารินวราฤทธ์นั่งอยู่เดียวดายบนแท่นหินเตี้ยหน้ากองไฟที่ลุบวอมแหวมสลัวรางนั้นปล่อยความคิดคำหนึงไปไกลตัวท่ามกลางความสงัดเงียบของบริเวณที่พักบนยอดเขา ร่อนหยิบเศษไม้แห้งโยนเข้าไปในกองไฟช้าๆนานๆสักดุดหนึ่งด้วยอาการใจลอยและดวงตาก็มือมองจับอยู่ยังเปลวไฟสีแสดที่ลุกอยู่วอมแหวมนั้นมีเสียงกระดึงไม้ไผ่ลั่นโกรเกเรกขึ้นแผ่วเบามาจากทางเบื้องหลังปลุกผวังขึ้น หลอนจำได้ดีนั่นคือเสียงกระดึงที่หลอนเองเป็นผู้ปลุกคอเจ้าด้วนไว้เพื่อเป็นสัญญาณกันความเข้าใจผิดระหว่างที่ทุกคนพักหลับนอนในคืนนี้เจ้าช้างป่าผู้มีความผูกพันเป็นมิตรพักดีตล่อนตัวนั้นไม่ได้ออกไปห่างไกลาจากบริเวณที่พักของฝ่ายหล่อนเลย มันคงจะเฝ้าเป็นยามระวังภัยอยู่ใกล้ๆในละแวกนี้นั่นเองตามคำสั่งของหลอนซึ่งดูเหมือนมันจะสามารถฟังได้รู้เรื่องดีที่สุดเรากับจะเข้าใจภาษามนุษย์ฉะนั้นดารินไม่ได้หันกลับมาดูแล้วเพียงแค่อึดใจเดียวก็สัมผัสได้กับงวงสักๆที่ยื่นเข้ามาแตะเคลียรคลายอยู่บนไหลแถวแถวซอกคอของหลอน อย่างแผ่วเบานุ่มนวลที่สุดเสมือนจะเป็นการทักทายปลุกปลอบใจราชสกุลสาวโอบมือข้างหนึ่งกอดปลายงวงสากสากนั้นไว้เอาแก้มแนบพลางกระซิบด้วนเธอคงรู้นะว่าขนาดนี้เดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหน เดรัจฉานชาติผู้มีความแสนรู้มีมันสมองอัญชลาดสูงทรงเหนือกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานด้วยกันทางปวนคงจะยังทราบทำความเข้าใจกับหล่อนโดยทางกระแสจิตได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่ามันไม่อาจจะพูดได้เท่านั้นมันใช้ปลายงวงไซสูดกลิ่นดมไปตามร่างกายของหล่อนอย่างแสนทนุถนอมเช่นนั้นแล้วชั่วขณะหนึ่งต่อมา หล่อนก็รู้สึกว่าร่างอันใหญ่โตมาโหลา น, นั้นสุดหมอบลงเบื้องหลังพยายามจะใช้งวงเกี่ยวช้อนตัวหล่อนให้ขึ้นไปอยู่บนคอของมันให้ได้ดารินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งพยายามแกะงวงออกบอกเร็วปรือไม่เอาดุดนี่จะเอาฉันไปนไหนกันเนี่ยฉันออกไปไม่ได้รู้ไหมเพราะสัญญากับพวกเราไว้แล้ว จะไม่ออกนอกแคมป์อย่างเด็ดขาดก่อนตะวันขึ้นแม้ว่าจะไปกับเธอก็ตามคจฉาสารโทนอดีตจอมเกเรแห่งป่าซึ่งระพินไทรวันแม้จะไม่ได้เลี้ยงไว้โดยตรงแต่ก็เหมือนอุปถัมดูแลไว้เพราะไม่เคยคิดจะกําจัดทำลายมันเลยเท่าๆกับที่สั่งชาวป่าไว้ทุกคนไม่ให้ทำอะไรมันด้วยใช้งวงมัดพันตัวหล่อนอย่างหลวมๆ พยายามจะปัดร่างของหลอนให้ขึ้นไปทางศรีรษะให้ได้อยู่เช่นนั้นดารินดิ้นคลุกคลักคลุกคลักพลักใสอยู่ในอ้อมรัดของมันและล่ำละลักร้องห้ามชฉลอยจะเป็นเพราะเสียงที่เริ่มเอตโรของหลอนนั่นเองนานอินซึ่งนอนอยู่ตรงซอกินใกล้กองไฟที่สุดก็ตื่นขึ้นลุกเดินปรีก็ามาทันทีพอมองเห็นก็ตะหวาดเบาๆว่า ไอ้ด้วนนี่จะมาชักชวนนายหญิงเอาไปไหนก่ะสิทะลึ่นไปไปไปไปห้พนมาเดี๋ยวพัดเขกกัะโหลกซะเลยไอ้นี่เจ้าด้วนพอเห็นพรานครูผู้เฒ่าปรีก็ามาชี้หน้าดาเช่นนั้นก็ละจากดารินทันทีและในสภาพที่ยังสุดหมอบอยู่นั้นมันพยายามยื่นงวงเข้าไปที่หนานอินแล้วฉกจะงอยงวงลงมามีาตาเหมือนจะเขกหัว แต่ครูพรานเท่ารู้เชิงอยู่แล้วถอยห่างวูบออกมาปล่อยให้งวงของมันสับระขาดเฉียตัวแกไปอย่างบุดวิดบุดวิดพร้อมกระเป๋าลมพลูออกจากปลายงวงจนฝุ่นฟุ้งไปหมดนันอินสบดดาขมงโฉงเฉงอย่างมีโมโหก้มลงคว้าได้หินก้อนเบเรมเงื้อขึ้นขยับจะทุ่มไปกลางกระบานอันใหญ่โตของมันที่มาสุดหมอเป็นภูเขาเล่ากาอยู่ดาินร้องห้ามเร็วหรือลุงชิ้น จะทำอะไรมันนานอินบนพื้พรรังโยนก้อนทิ้งลงตามเดิมนายหญิงทาไมไม่นอนมานั่งทำอะไรคนเดียวอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวไอ้ด้วนมันก็จับขึ้นคอพาเดินออกไปไหนอีกเท่านั้นแหละดารินลุกขึ้นจากสภาพที่ล้มลุกคลุกคลานอยู่ในระหว่างงาของมันบัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าหันมาฝืนยิ้มให้กับพรานอาวุโส รับรองว่าฉันไม่ไปไหนก็เจ้าด้วนหรอกก็แค่นอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมานั่งผิงไฟหลุงก็นอนซะเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนายหญิงก็อย่าไปไว้ใจมันมากๆา ก, ากนะเดี๋ยวก็พาตะเลิดเปิดเบิงไปไหนหย่งกันใหญ่ไปไปไปไปไอ้วเองไม่ต้องมาทําเป็นหมอคู่อยู่อย่างงั้นหรอกเอ็งจะเฝ้านายหญิงก็ได้แต่ไปเฝ้าอยู่ห่างแล้วก็ดูแลปางพักทั้งหมดนี่ด้วย เพลอหน่อยเดียวเท่านั้นจัดแจงมาชวนหนายหญิงไปไหนอีกแล้วเอ็นนี่มันร้ายจริงช่างพลายตัวมาหือมาผู้มีสั ญ, ญลักษณ์หางด้วนยันกายลุกขึ้นทันทีตาเล็กตีของมันประหลับประเหลือเพราะยันตัวทะมึนขึ้นมาได้ทั้งสี่ขาก็ขยับเดินปรีเข้าหาหนานอินอย่างช้าๆท่าทีของมันสอเจตนาว่าอยากจะจัดการอะไรกับแกสักอย่างนึง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 ต้องถอยวนๆรอบกองไฟเอ๊ะๆๆนี่มึงจะเอากะโกูจริงๆเลยเนี่ยไอ้ด้วนด่ารินร้องมาบบาๆว่าหยุดนะด้วนห่างเกเรกับลุงอินหรือพวกเราคนใดคนหนึ่งเปน็นอันขาดหยุดราวกับประกาศสิเจ้าด้วนหยุดการย่างสามขุมเข้าหาหนานอินลงทันทีแกว่งวงอยู่ไปมาจ้องมองดูแก มีอาการเหมือนจักรนั น, นอินก็เต้นเยงยงเยงอยู่ด้วยอาการหัวเสียเอาปลายไร่เฟินชี้หน้ามึงนํานมึงไอ้ด้วนไม่เห็นกันไหนหญิงกันไหนรับผินสองคนแถวนั้นพอสัต์หน้าแง่มึงก้นจำเบ่าไว้นานแล้วไปเซะจะไปไหนก็ไปยังมายืนมองหน้าอยู่อีกไปเจ้าด้วนเอางวงควานไปตามพื้นคว้าได้ไม้ฟืนท่อนหนึ่งขึ้นมาดุนขนาดหน้าแข้ง ยาวราวสองศอกดารินเห็นท่าไม่ดีก็กระโดดเข้าไปคว่างงวงมันไว้ได้ยินไหมด้วนฉันสั่งว่าหยุดหล่อนร้องลั่นแล้วหันไปทางนานอินต่อว่าลุงอินก็เหมือนกันหละมันเรื่องอะไรมาทะเลาะกับช้างลุงก็หยุดด่าไม่ทีสินานอินเอามือเกาหั ว, หวแล้วหุบปากไปในทันที ดารินออกคำสั่งบังคับให้เจ้าด้วนวางดุนฟืนลงเสียงเอตโรลงเลงที่ดังลั่นไปทั้งแคมป์ทำให้พวกลูกหาดและคณะของพี่ชายตื่นพระโงกหัวกันขึ้นมาดูใครคนหนึ่งในกลุ่มดูเหมือนจะเป็นอนุชาตะโกนถามมาว่าอะไรกันอีกละนั่นน้อยมีอะไรรำคาญจะจริงๆปะผ่าแลยไม่มีอะไรหรอกนะ ลุงอินน่ะทะเลาะกับเจ้าด้วนนิดหน่อยทุกคนก็นอ น, นเเถอะหล่อนตะโกนออกไปแล้วเอามือตบงวงช้างใหญ่คู่บารมีถอยไปหลบๆซะก่อนไปด้วนอย่ามายืนอยู่ตรงนี้เลยไม่มีใครก็ไว้วางใจเธอเท่าฉันหรอกแล้วก็ไม่มีใครรู้ซึ้งถึงความในใจของฉันได้ดีเท่าเธอด้วยเจ้าด้วน ย, ย่างเท้าถอยหลังไปโดยดีเหมือนภูเขาเคลื่อนที่ห่างกองไฟ หายเข้าไปในเงามืดสลัวแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนไกลยืนเอาสีข้างถูอยู่กับหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งหญิงสาวถอนหายใจออกมาได้อย่างโล่ง อ, อกเดินกลับมานั่งที่เดิม น, นานอินแหงนมองดูดวงดาวรุ่งที่ทอสุกปลังบ่ายเบนใกล้จะรับขอบฟ้าและจัดการต้มกาแฟพร้อมทั้งสุนฟืนในกองให้ลุกสว่างจ้าขึ้น ใกล้ร่วงเต็มทีแล้วน้านอินก็ไม่นอนเหมือนกันต้มกาแฟนายหญิงกินดีกว่าเดี๋ยวพวกเจ้านายก็คงจะตื่นกันขึ้นมาทั้งหมดจะได้กินกาแฟเลยเมื่อเป็นความสมัครใจของแกเช่นนั้นดารินก็ไม่อาจทัดทานหรือไล่ให้แกกลับไปนอนได้ตกแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือเห็นตีห้าเศษเข้าไปแล้วก็ดีเหมือนกันที่นานอินตื่นขึ้นมาทางานแล้วก็เป็นเพื่อนหลอนด้วยในยามนี้ ยามที่ตนเองสุดเหงาและเปลี่ยวใจเป็นที่สุดหลับสบายดีหรือเปล่าล่ะลุงหล่อนชวนคุยข่าเวลารอแสงตะวันก็หลับสบายดีนะยิงสบายกว่าทุกแห่งที่เราผ่านกันมาแล้วคืนนี้มันสงบเงียบดีจริงๆไม่มีอะไรกลายก็ามาใกล้เลยเหมือนมีตาขายเพชรมาบกป้องปา ง, งพักของพวกเราไว้ ทั้งทางที่เมื่อก้อนก่อนจะขึ้นมาพักบนนี้ถ้าทางไ้ผีรารมันจ้องจะโวนเราทั้งคืนแต่นี่มันไม่กล้าเข้าใกล้เลยตลอดทั้งคืนเหมือนกันน้านี่นไม่อยากจะเชื่อนะว่านายหญิงจะมีดีถึงขนาดนี้ดารินยกมือลูบใบหน้าแล้วสั่นศรีรษะช้าๆลุงที่จริงแล้วฉันก็ไม่ได้มีอะไรดีเหนือไปกว่าลุงหรอก จะมีก็แต่ความจริงใจแล้วก็ตั้งใจอันแน่วแน่ทั้งนั้นแล้วนี่นายหญิงตื่นขึ้นมานั่งที่นี่ตดินกะเมื่อไหร่ล้วเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเห็นทุกคนหลับกันหมดแล้วก็กองไฟมันมอดดับไม่มีใครเติมเชื้อฟืนก็เลยลุกขึ้นมาก่อไฟผิงอีกอย่างนึงก็นอนมาพอละสำหรับคืนนี้นั้นอิงยกมือขยี้ตาอาปากาวอด ดูแกพยายามจะปลุกประสาทให้กระปรี้กระเป่าขึ้นมาจากความม่วงเพราะอย่างน้อยก็นอนหลับสนิทมาหลายชั่วโมงนายหญิงนันอินฝันแปลกแกพูดทั้งที่อ้าปากหาวหญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึง่งยังไม่สู้จะสนใจอะไรกับคําพูดของนานอินนักฝันแปลกยังไงอะลุงฝันดีหรือฝันร้ายอ่ะ มันก็ไม่เชิงดีเชิงร้ายอะไรหรอกหนหญิงฝันว่าเห็นไอ้แง่ทรายมันมาเดินป่วนเปลี่ยนป่วนเปลียป่ยนอยู่ในบางพักของเรานี่เหมือนกับจะเป็นพวกลูกหาบที่มากับพวกเราด้วยในฝันว่าพวกเราหนะนอนหลับกันหมดแต่มันเดินทําหน้าที่เฝ้ายามอยู่คนเดียวอะดาริอานอุทานอิออกมาคาหนึ่งเริ่มหูพึงทันที ลุงลุงฝันเห็นแง่ทรายเหรอแกพยักหน้ายัางไม่สนใจต่อคําพูดอะไรของตนเองนะ่ะดารินแม้มริมฝีปากในลุงลองเล่ารายละเอียดสิฝันเห็นเขาในลักษณะยังไงแล้วก็เขาทำอะไรบ้างในบางพักของเราเนี่ยก็ อ, อย่างที่บอกละนายหญิงเห็นมันเดินไปเดินมาอย่างลูกหาบ ที่มีหน้าที่พลัดเวนแล้วก็มานั่งตรงกองไฟที่นายหญิงนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกอนนอนก็ไม่ได้คิดถึงมันสักนิดทำไมถึงฝันเห็นมันได้ก็ไม่รู้แล้ก็ไม่แน่เหมือนกันในใจลึกๆของนานอินก็คงจะคิดถึงไอ้เด็กคนนี้มาตลอดก็ได้เพราะเห็นมันมาแต่ตัวน้อยๆเดินตามแม่ต่อยๆ อ, อยู่กลางป่าต่อมาก็กอดสพกแม่ร้องไห้แง่แง่อยู่ ตอนที่นานอินไปพบแล้วก็เก็บมาเลี้ยงอยู่พักนึงจนกระทั่งฝากหลวงปู่พระธูดงให้ท่านเอาไปเลี้ยงแทนแล้วต่อมาอีกยี่สิบกว่าปีพบมันอีกทีหนึง่งตอนที่เป็นหนุ่มใหญ่เที่ยวป่าหาโอแรชัางนาอยู่ด้วยกันอีตอนนั้นนะ่ะมันจํำนานอินได้แต่มันไม่อยากจะบอกให้รู้เลยว่าที่แท้นะ่ะมันก็คือเจ้าเด็กที่นานอินช่วยเอาไว้จะมารู้อีกที ก็ตอนที่นายหญิงไปตามนานอินกับนายชดในมรกฎนครมีมันตามเขาไปด้วยนั่นแหละแกหยุดหัวรอเอามือลูบหัวตัวเองแล้วไหนที่สุดจากไอเด็กกำพร้าแม่จากไอหนุ่มชาวดงพนเจนจรมันก็กลายมาเป็นจักรราชแห่งมรกฎนครไปไปอย่างที่เรารู้ๆกัน พูดถึงไอ้หนีแล้วน้านอินก็อดคิดถึงความเก่าๆไม่ได้หนี่เป็นครั้งที่สองที่นานเอินฝันเห็นมันคืนแรกก็ตอนที่มันไปบอกให้มาที่หนองนำแห่งเร็วจีแล้วก็พบกับพวกของนายหญิงที่กำลังจะออกตามนายระพินน่ะแหละแกว่าอะไรของแกไปเรื่อยๆถึงความหลัง ด้านสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างแกเองกับแง่ทรา ย, ายซึ่งหญิงสาวก็พอจะทราบเบื้องหลังความเป็นมาดีอยู่แล้วว่านานินกัแงซทรายนะ่ะผูกพันกันแน่นแฟนลึกซึ้งมาเช่นไรก่อนลุงในความฝันของลุงนะ่ะแง่ทรายเข้ามาพบหรือเข้ามาพูดจาอะไรกับลุงหรือเปล่าหล่อนถามต่อไปโดยเร็วเต็มไปด้วยความแปลกสังหรณ์ใจเหลือประมาณ พรานครูผู้เท่านั่งทำท่าพยายามทบทวนแล้วก็ยิ้มแย่ๆนานอินก็จำไม่ค่อยได้แน่นักรอกนะนายหญิงสาวะตัวเองนอนอยู่แล้วมันก็เดินมายืนค้ำหัวอยู่ใกล้ๆบอกกัน้านอินว่าคืนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงจะไม่มีภัยอันตรายอะไรเกิดขึ้นทั้งสิน้นให้นานอินนอนหลับให้สบาย แล้วแล้วเขาพูดอะไรต่อไปหรือลุงอินพูดกับเขายังไงมั่งน่ะดารินซักโดยเร็วแกสั่นหัวก็จำได้แค่นี้แหละนายหญิงในฝันน่ะมันไม่เหมือนใจเรานึกหรอกตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดถามตัวเองว่าตอนนั้นทำไมเราไม่ทำยงงอย่างนั้นอย่างนี้ ทำไมไม่พูดถามซักอะไรมันแต่ตอนฝันน่ะมันพูดอะไรไม่ออกนานอินอยากจะผูดกับมันเหมือนกันแต่ทําไมถึงพูดไม่ไม่พูดก็ไม่รู้สิรูปร่างที่เห็นก็เหมือนสมัยที่มันเคยเดินป่าอยู่กับนานอินตอนที่ยังเถี่ยวอยู่ด้วยนั่นแหละถือปืนปัดสตันกุ้งเกงครึ่งแข่งสีดําเสื้อกระเหลี่ยงดําหัวขาดผ้าแดง ถ่าทางมันก็ปกติแข็งแรงดีไม่มีทุกโศกอะไรราชสกุลสาวกัดริมฝีปากเบาๆกว่าตาอันรีซึมลงมองไปรอบๆยังเงาตะคุ่มของโขดหินและโคนไม้รอบตัวอีกครั้งแต่หล่อนก็ไม่ยอมบอกว่าหล่อนก็หลับตามองเห็นเจ้าคนใช้ชาวดงอดีตนักพเนจรผู้นั้นในลักษณะไล้เคียงกะนานอินฝันเห็นเหมือนกัน เก็บความพิศวงไว้ภายในคนเดียวว่าปรากฏการที่หลอนเห็นขณะที่ตายังหลับแต่แน่ใจว่าไม่ได้หลับซึ่งมันมาพ้องกับความฝันของหนานอินนั้นมันคืออะไรกันแน่เป็นสิ่งลี้ลับพอๆกับความลี้ลับของไอ้ผีดิบมันไตรทีเดียวการเฉลียวคิดสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับระพินไครวันก็เช่นกัน ส่วนสัมผัสได้จากความฝันที่มีแงซายมาบอกข่าวอันเป็นสาเหตุให้ค้นพบความจริงแล้วออกติดตามกันมาในครั้งแรกเมื่อแรกนั้นหล่อนก็คิดว่าตัวเองอาจจะฝันไร้สาระไปเองเพราะนิวร์และเลือดลมผันผวนต่เหตุชนไหนมันจึงเป็นความจริงได้แต่ว่าไรสาระเพอพกไปเองก็ใช่ที่เหตุการณ์มันมายืนยันซ้ำซ้อนเข้าอีก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 แต่หล่อนคิดสะดุดใจมาตลอดมันเหมือนกับว่าเจตพูดตือดวงจิตของแง่ทรายมีเจตนาโดยตรงที่จะส่งสัญญาณเข้ามาติดต่อกับหล่อนและบุคคลที่ร่วมคณะโดยเลือกเอาเฉพาะบุคคลที่จําเป็นเท่านั้นเพื่อสนับสนุนในงานติดตามระพินครั้งนี้แล้วตัวจริงของแง่ทรายขนาดนี้อยู่ที่ไหนภาวะใดกันแน่เขายังมีชีวิต มีตัวตนอยู่จริงในฐานะของจักรราษเจ้าผู้ครองอาณาจักรมรกฎนครเขี่ยงคู่กับเมยานีราชินีของเขาอย่างดินแดนมหัศจรรย์ น, นั้นหรือว่าได้ดับขันสลายชีพไปแล้วคงเหลือแต่เฉพาะดวงจิตวิญญาณที่ผูกพันพักดีอยู่กับหล่อนเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเงาเงื้อมของปริศนาที่หล่อนคบคิดไม่ออก จะหันหน้าไปปรึกษาหารือกับพี่หรือเพื่อนที่มาด้วยก็คงไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาทุกคนจะเห็นว่าหลอนบ้าเพ้ะประสาทหลอนไปเองเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้พบเห็นอย่างหลอนไม่ได้สัมผัสกับสิ่งแปลกประหลาดหน้าพิศวง์ชนิดนี้ก็ย่อมไม่อาจที่จะเข้าใจอะไรหรือเก็บมาเป็นข้อสนใจได้ชั่วๆดีๆก็พอที่พอจะเห็นก็มีหนานอินครูพรานอยู่คนเดียว เท่านั้นที่น่าจะหลอกถามอะไรแกได้บ้างโดยหล่อนจะเป็นฝ่ายป้อนคําถามและหาจุดวิเคราะห์เอาเองเพราะอย่างน้อยที่สุดหนานอินก็ย่อมรู้จักแง่ทายและความเป็นมาของเจ้าอดีตคนใช้คู่ชีพในสมัยนั้นของหล่อนได้ดีกว่าใครทั้งสิ้นอาจจะดีกว่ารพินไทรวันเองซะด้วยซ้ําเพราะแกรู้ความเป็นมาของแง่ทรายมาแต่เล็กแต่น้อยคลุกคลี ร่วมเป็นร่วมตายกันอยู่ในป่ามาก่อนหน้าที่เงยสายจะมาประกบคู่กับระพินจะอีกลุงอินฉันคิดว่าไม่มีใครรู้จักเงยสายได้ดีไปกว่าลุงหรอกนะแม้แต่ระพินเองดารินเริ่มเรียบเคียงด้วยน้ำเสียงปกติเรียบเรียบลุงคิดว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วล่ะ ประโยคหลังของหลอนทำเอาหนานอินหน้าจ้อยไปถนัดมองดูหลอนอย่างแปลกใจนายหญิงถ้าไม่นายหญิงถึงคิดว่าแง่ายตายไปแล้วน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกั น, นลุงฉันเพียงแต่ขอความเห็นลุงเท่านั้นน่ะเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขามาบอกฉันในฝันมาบอกลุงแล้วก็บอกขยิ่งด้วยซึ่งมันก็เป็นความจริง ถ้าเขายังไม่ตายเขาจะมาเข้าฝันบอกเราได้ยังไงเอ๊มันก็น่าคิดนะนายหญิงด้วย่าไอ้แงซายมันตายไปแล้วตามที่นายหญิงว่าจริงๆนั้นอินชักไม่แน่ใจเหมือนกันสติปัญญาระดับแกมันก็ได้แค่นี้เองซึ่งมันก็ไม่ช่วยอะไรหล่อนในข้อคิดค้นแสวงหาความจริงอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลย หล่อนตั้งคำถามใหม่ลุงลุงว่าแงซายนักเก่งในด้านสยศาสตร์มีเวทมนต์คาถาอิทธิริททางอาคมมั่งไหมก็ฟันอยู่ก็หลวงปู่พระทุดงมาตะเล็กแต่น้อยนะนหญิงสิทย์เมียอาจารย์เหมือนกันขี่ไกลจะที่ไหนแต่มันจะเก่งสักแค่ไหนนานิ่ก็ยังไม่เคยลองวิชากับมัน ลาสัตย์อยด้วยกันถ้าจนภัยก็พูดผีปีศาจสารพัดขนาดน้านินแก่ไม่ตกมันยังแก่ตกหรือถ้ามันจนท่าเข่าน้านินก็แก้ไขไปได้มันก็พอตัวทีเดียวและนายหญิงในเรื่องมนตราอาคมเทียบกับ น, นายระพินแล้วก็ ย, ยังไม่รู้นะว่าใครจะเหนือกว่าใครในเรื่องนี้ใช่สิดารินคิด เทียบกับระพินแล้วหล่อนก็ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าระหว่างระพินกับแง่ทรายใครจะเหนือกว่ากันแต่ในอดีตที่ผ่านมาเห็นหักเหลี่ยมหักเชิงลองดีเชื่อดคมกันมาตลอดและหล่อนก็ตรหนักดีว่าผลที่สุดแง่ทรายมักจะหลีกหลบให้ซะมากกว่าเป็นการซ่อนคมอย่างร้ายกาศจนครั้งแร ก, แรก ดูไม่น่าไว้วางใจนักในความลึกลับเต็มเบอริเดเลสสนของคนคนนี้ลุงลุงเคยรู้บ้างไหมดารินเอ่ยต่ออย่างระมัดระวังพยายามจะใช้ประโยคคำพูดให้นานอินฟังให้เข้าใจง่า ย, ายที่สุดเออสมมุตินะลุงสมมุติว่าเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตายนี่แหละแต่ถ้ามีวิชาอาคมเก่งๆคนคนนั้นก็สามารถจะส่งดวงจิตหรือเจตตะพูดของตนเองไปติดต่อบอกความอะไรให้กับคนอื่นๆได้ลุงคิดว่าไงนานอินนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งอืมมันก็มีเหมือนกันแหละในหญิงแต่จะต้องมีชานขั้นสูงทีเดียวนะ่ะ ต้องมีกําลังจิตเนื้อมนุษย์ธรรมดาพวกที่จะทำได้อย่างนี้ก็ต้องเป็นพวกฤๅษีหรือพวกพระที่เกรงศีลจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะนิมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแหละนายหญิงเรียกว่าพระในระดับพระโสดาบันหรือพระอริยเจ้าพระอรหันต์อะไรเทือกนี้ใช่ไหมลุงใช่ใช่ช่ใช่ใช่ใชในายหญิงพระ เ, เก่งๆพวกนี้แหละที่ทาได้ พวกฤาษีพวกโยคีตามปา่าตามเขาบางคนก็ทำได้เหมือนกันขนาดจ้องไฟในกองเพลิงให้ค่อยๆรีดับลงได้นะนายหญิงพวกนี้นะ่ะเขาเรียกพวกมีริบนันยินแค่รู้เท่านั้นแหละแต่ก็ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นสักแค่กี่ฟุนแกก็ตอบภาษาของแกเหมือนกันเออแล้วลุงคิดว่าอย่างไงทายนะ่ะจะทำได้ไหม เรื่องนี้นะนายไม่รู้นะนายหญิงเพราะไอ้ที่เคยเที่ยวอยู่ด้วยกันยังไม่เคยเห็นมันเก่งถึงขนาดนั้นต่อให้นายรพินเองก็ยังทำไม่ได้แต่ถ้าคนตายไปแล้วกลายเป็นวิญญาณถ้ามีความผูกพันกันจะมาสัมแดงให้เห็นจะมาเข้าฝันก็ยอมได้ไอ้ที่เรียกราเรียกว่าผี ย, าา ย, ยังไงล่ะนายหญิง ดารินนิ่งเงียบไปนานจนกระทั่งกาแฟเดือดและหนานอินรินใส่ถ้วยพลาสติกส่งมาให้หล่อนรับมาถือไว้พยายามระงับความรู้สึกนึกคิดอันแสงจะยุ่งเหยิงในสมองลงซะลุงพรุ่งนี้ฉันหมายถึงว่าพอตะวันขึ้นพวกเราก็ออกเดินทางกันแต่เช้าเลยลุงเราจะถึงห้ยเสือร้องเมื่อไหร่ ก็ไม่เกินตะวันตรงหัวหรอกนายหญิงองั้นก็ดีแล้วหล่อนลุกขึ้นยืนมือยังถือถ้วยกาแฟเอาเป็นว่าพอฟ้าสางหินลายมือลุง ก, ก็ปลูกพวกลูกหาบทุกคนเตรียมพร้อมนะส่วนฉันก็จะไปปลูกพวกนายใหญ่เองต้มกาแฟเสร็จแล้วก็เตรียมหุงหาเถอะจะได้ไม่เสียเวลาฉันจะเดินอยู่ในบริเวณปางพักนี่แหละไม่ออกไปไหนหรอกลุงลุงไม่ต้องตามมา สั่งดังนั้นแล้วดารินบาราริส ก, ก็ออกเดินช้าๆพลักออกจากกองไฟบริเวณที่หนานอินต้มกาแฟอยู่หล่อนเดินอย่างปราศจากจุดหมายแน่นอนไปทางด้านเหนือของบริเวณปางพักสูดลมหายใจลึกอากาศยามใกล้รุ่งเย็นชำ้ำโชยเอากลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดมาประทบมากระทบคาณประสาทจางัง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 ออกมาเป็นลำดับท่ามกลางมูหินสูงๆต่ำๆที่งอกอยู่สองฝั่งทางใช้ไฟฉายส่องกราดดูภูมิประเทศซึ่งเป็นเหลี่ยมมุมลับตาไม่น่าไว้วางใจนั้นอย่างไม่ประมาทและคุ้นเคยกับป่ามาเป็นอย่างดีแล้วประสาทรับรู้ทุกส่วนเปิดพร้อมอ้อมแขนคว้าไรเฟินประจำมือไว้ในลักษณะปกติแต่ก็พร้อมที่จะยิงได้ทุกขณะ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 มันจะพยายามก้าวหลีกเลี่ยงสิ่งอันจะทำให้เกิดเสียงได้อย่างฉลาดลำ้ำซึ่งเท่ากับเป็นการเตือนให้หลอนตระหนักได้ว่าหากเป็นช้างร้ายของฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรแล้วก็การย่องได้อย่างเบาสนิทของสัตว์ประเภทนั้นย่อมเป็นอันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์ซึ่งประสาทสัมผัสทุกส่วนด้อยกว่ามันมากหนทางอันดูเหมือนเส้นทางด่าน ลักษณะเป็นแนวตรงสามารถจะมองกลับไปเห็นใจกลางของบริเวณปางพักนี้มาสะดุดชะงักเอาตรงบริเวณที่เป็นมุมเทลาดลงไปประมาณส5สบห้าองศาซึ่งเต็มไปด้วยพุ่มไม้ค่อนข้างทึบทักก้าวลงไปเมื่อไรก็แปลว่าหล่อนจะรับจากสายตาของพรรคพวกในแคมป์และออกพ้นปริมณฑลที่นานอินทำพิธีกั้นอาาเขตไว้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 จนผิวกายนอกร่มผ้าเย็นชืน้นทุกหนทุกแห่งของราวพรยลึกยังเงียบสงัดปราศจากซ้ำสำเนียงใดๆทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่เสียงสิงสัตว์จตุบาททุกชนิดไก่ป่าที่ขันเจื้อยมาให้ได้ยินในบางขณะบัดนี้ก็เงียบไปแล้วอุสาใกล้เข้ามาแต่มันก็ยังไม่มาถึง หล่อนจะยืนอยู่ที่นั่นนานสักเท่าใดไม่ทราบได้แต่เมื่อหันมาอีกครั้งก็มองไม่เห็นเจ้าด้วนใชแล้วไม่ทราบมันหายไปไหนหายไปตั้งแต่เมื่อไรแล้วไกลย้อนกลับไปยังบริเวณกลางแคมป์ที่พักนอนของพรรคพวกทุกคนก็ไม่เห็นวีแววของมันเลยอยากจะร้องเรียกหาแต่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าใกล้อารุณแล้ว มันคงจะแยกตัวออกจากบริเวณที่พักของเหล่ามนุษย์และไปหาอาหารกินตามวิสัยของมันจึงไม่สนใจอะไรอีกปล่อยมันไปตามเรื่องเพราะถึงยังไงมันก็คือช้างป่าหาใช่ช้างเลี้ยงไหมโดดเดียวเอกากายตามลำพังอีกครั้งนะราวไพรพฤกดํดำมืดที่เผชิญอยู่เบื้องหน้ายิ้งสาวถอนใจเบา ความว้าเหเงียบแล่นขึ้นมาจับสมองและคั่วหัวใจจนสุดที่จะพันนาได้จริงอยู่หล่อนมีพี่มีพืชและพวกพ้องมาด้วยชนิดอบอุ่นพอสมควรทีเดียวและคนเหล่านั้นก็อยู่กันพร้อมเพรียงไม่ห่างจากหล่อนในขณะนี้ออกไปนักแต่เมื่อปราศจากเขาผู้นั้นสักคนเดียว หล่อนก็รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกร้างโดยเฉพาะกลางป่าใหญ่ไพรกันดานเช่นนี้ครั้นแล้วในความเงียบสนิทนั้นประสาท ส, ส่วนลึกของหล่อนก็สะดับได้กับเสียงเพียกหานามหนึ่งแวววไกลขึ้นมาจากป่าเบื้องล่างลงไปจิตร้างขาะ <m> สำเนียงนั้นแหบโผยโหย เหมือนเสียงที่ลอยมาจากสุสานอันล้ำลึกดารินรีดวงตาทั้งคู่ลงขนลุกขนชันขึ้นทั้งกายมองอย่างปราศจากจุดหมายลงไปยังเงาดำสนิทเบื้องล่างนั้นถามตัวเองว่านี่หลอนบังเกิดอุปาทานอะไรขึ้นอีกหรือจิตรางคณาง จะอุปทานหรืออะไรก็สุดที่จะบอกกับตัวเองได้หล่อนได้ยินเสียงขานามนั้นอีกแล้วมันชัดเจนเหลือเกินแต่แยกไม่ถูกว่ามันสัมผัสรับได้จากโซตระศาสจากดวงจิตหรือจากเซนส่วนลึกของสมองอย่างใดยอย่างหนึง่งกันแน่หญิงสาวยังยืนสงบนิ่งอยู่ที่เดิม เสียงนั้นเพียกเรียกซ้ำซากอยู่เป็นระยะระยะกังวานสะท้อนก้องบางขณะใกล้เหมือนกระซิบอยู่ริมริมหูบางขณะก็ไกลเหมือนกูตะโกนเรียกมาจากสุดขอบฟ้าสลับกันอยู่เช่นนั้นและดังทีขึ้นทุกขณะ ด, ดารินสบัดหน้าแรง เบิกดวงตากว้างสว่างพโพลงขึ้นพยายามเรียกสติสัมปชัญญะกลับคืนมาก่อนที่ความเป็นตัวของตัวเองจะหมดสิ้นไปด้วยอาการมึนงงหมูเวงเหมือนคนต้องมนสะกดมือหนึ่งกุมไวที่พักเครื่องรางสิ่งที่ระพินมอบไว้เหมือนให้ดูต่างหน้าอันกลัดติดอกเสื้อชั้นในอยู่สำนึกอันขาดขาดหายหายกลับคืนเด่นชัดมาอีกครั้ง ใจหนึ่งบอกกับตนเองว่าหลอนสมควรจะถอยกลับเข้าไปในใจกลางแคมป์ที่พักได้แล้วแต่อีกใจหนึ่งเป็นหัวใจอันกล้าหาญเด็ดเดียวและประสงค์ที่จะสแสวงหาที่มาของเสียงลึกลับประหลาดนั้นอย่างท้าทายทําให้หลอนยังยืนเด่นรังงานอยู่นัดที่เดิมอย่างน้อยหลอนก็อยากรู้ว่าตนเองอุปท า, านเกิดอาการประสาทหลอนขึ้น หรือมันอะไรกันแน่หล่อนพร้อมที่จะเผชิญหน้าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเอาละเดี๋ยวนี้เราพร้อมแล้วถ้าสิ่งที่ได้ยินอยู่เมื่อครู่นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากอะไรก็ตามขอให้มันปรากฏให้เราได้ยินอีกครั้งทั้งโสตทั้งจิตหรือาทางสมองก็ได้ทั้งสิ้น จงเรียกนามในอดีตของเรามามันไตรถ้าหากว่าเรามีอดีตแต่ชาติแต่ปางบันและได้มีส่วนเกี่ยวพันก่อเวนกรรมไว้กับเจ้าจริงเหมือนอย่างเช่นที่เจ้าได้บอกเล่าแก่เราไว้ก่อนในคืนนั้นหล่อนเอ่ยออกมาเป็นวาจาจิตรามคณางขาดคำของหล่อน เสียงเรียกก็ปรากฏให้สำเนียกชัดอีกคราวนี้ดูเหมือนมันจะดังออกมาจากชะง่อนหินใหญ่อันเป็นทางลาดต่ำลงไปก่อนจะถึงพงรกข้างล่างนั่นเองหลอนใช้ไฟวาบนึงไปยังตำแหน่งนั้นแสงไฟกระทบแต่ชะง่อนหินไม่มีสิ่งใดเลยหรืออาจมีแต่มันบังหลบอยู่ยังเหลี่ยมสูง ไม่อาจมองเห็นได้จากตำแหน่งที่หลอนยืนอยู่มันไตรถ้าเจ้าอยู่ที่นั่นก็จงโผลกมาให้เราเห็นสิดารินเอ่ยแผวออกไปอีกค่อยค่อยขยับลูกเลื่อนไรเฟิลในมือขึ้นแล้วตบลงเป็นการขึ้นสปริงเข็นแทงชนวนอย่างนิ่มนวลที่สุดมันไตรรอคอยฝ่าพระบาทอยู่ใกล้ๆกล้นีแล้ว ได้โปรดเสด็จลงมาเถิดจิตรางขนางเสด็จลงมามันไใจผู้แสนรักและพักดีมิได้มีประสงค์รายใดๆกับพระองค์หญิงผู้เป็นยอดสเสนหาเลยจนนิดเดียวแม้เบื่องพระยุ ค, คละบาทก็จะไม่ให้เกิดริ้วรอยเท่าแมวควร เสียงตอบมาอย่างวิงบอนเสมือนเจ้าของเสียงจะยืนอยู่ห่างจากหล่อนเพียงไม่กี่ว่ามันเป็นโอกาสของหล่อนแล้วที่จะได้ตอบโต้ซักถามข้อความกับเจ้ามารายซึ่งเป็นมหันตะไัยอย่างใหญ่หลวงต่อคณะเดินทางของหล่อนอยู่ในขณะนี้แม้ว่าหล่อนจะไม่อยู่ในฐานนะที่จะนำเรื่องนี้ไปบอกเล่าอธิบายให้พักพวกฟังได้เช่นไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างหล่อนจะรู้ไว้ตามลำพังคนเดียวเพื่อหาทางปกป้องแก้ไขให้แก่ตนเองและหมู่คณะหล่อนจะต้องตีปริศนาอันดามืดนี้ให้กระ จ, จ่างออกไปให้จงได้เท่าเท่ากับที่จะต้องระมัดระวังตนไม่ให้เพีียงพล้ำมันไรขณะนี้เรามองไม่เห็นเจ้าเลยนะหล่อนเริ่มอ่อยเสียงล่อต่อสเสด็จลงมาเทิด แล้วฟ้าพระบาทจะเห็นเองเจ้าปรากฏกายให้เราเห็นก่อนสิและจงเป็นฝ่ายขึ้นมาหาเราเราสัญญาว่าเราจะไม่ถอยห่างจากเจ้าแม้แต่ก้าวเดียวขึ้นมาสิมันตรเราเองก็ยืนรอเจ้าอยู่นัดที่นี่แล้วฟ้าพระบาทคิดที่จะกำจัด รหัสประหารมันไลอยู่เราจะไม่ทำอะไรเจ้าหรอกถ้าเจ้าไม่คิดการร้ายต่อเรารึกคนของเราบัดนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้สนทนาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ท่องแท้ออกไปแล้วจงอย่าได้มาคิดวางแผนร้ายคอยเกาะติดรังควานเราและคณะของเราอยู่อีกต่อไปเลยดารินกล่าวออกไปอย่างนุ่มนวลอ่อนหวาน และเป็นมิตรที่สุดพระองค์หญิงชอบที่จะร่นหนักได้ดีอยู่แล้วว่านาบัดนี้มันใครไม่อาจเข้าไปใกล้องได้เพราะมีคายเพชรมาขวางกัน้น เป็นปราการไว้รอบปริมนทนที่ประทับอยู่ขอได้โปรดย่างพระบาทก้าวให้ผลจัดสิงกีดขวางนั้นออกมาก่อนถึกแล้วมันไตรจะเข้าไปเฝ้าโดยใกล้มันไตรหากเจ้ายังไม่ยอมปรากฏตนขึ้นเราก็จะไม่ก้าวลงไปเหมือนกัน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 โดยน้ำมือเองในครั้งนั้นเสียงอมนุษย์มันไตรตัดพอหรือมิฉะนั้นก็กล่าวโทษหล่อนมาเราทำลายล้างอะไรเจ้าเมื่อไรแล้วก็ทำยังไงล่ะเราไม่เข้าใจดารินพิศวงมึนงงต่อเหตุการณ์ก่อนน้ำมือใครล่ะ นัำงมือใครที่เป็นผู้กระชากฤทิ์ที่ปักครึงไว้กับมหาคัมภีร์มายาวินของมันไกรใต้แทนบันทมของพันธทุมมวดีในครั้งนั้นเป็นผลให้มันไกรประสบกับความวิบัติราชัยพระมนตราอาคมต้องเสื่อมสลายสิ้นสุดลงชั่วการหนึ่งแม้แต่ซากเดิมของมันไกร ก็ยังถูกอกคีเผาพลานวอดวายเป็นเทาทานไปหญิงสาวเพื่อจะหวนคิดขึ้นมาได้ในการโรวมรันประจันหน้ากับมนมายาอาถรรนของนิทรานครเมื่อครั้งเดินป่ามาในครั้งแรกร่วมกับระพินในคราวนั้นถูกละหล่อนจำได้ตัวหล่อนเองนั่นแหละที่เป็นผู้ทลาเข้าไปกระชากกริ ที่ปักตรึงอยู่กับคำภีหนังมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ใต้แท่นบรรทมของพันธุมมวดีในปร า, าสาทร้างโดยเสียงตะโกนร้องสั่งของระพินอันขณะนั้นเป็นเวลาที่พวกอมนุษย์บริเวณของไอ้ผีร้ายกำลังตะลุมบอลประจันบานกับฝ่ายของหลอนอยู่อย่างชุนละมุนแล้วฝ่ายหลอนกำลังจะเพลี่ยงพลัม เราไม่อาจฆ่าพวกมันให้ล้มตายหรือยุติปฏิกิริยาต่อสู้แบบหุ่นยนต์ของพวกมันที่ล้อมรอบเข้ามาได้ถูกแล้วหลอนเองเป็นผู้ที่กระชากกริตเล่มนั้นออกอันเป็นผลให้เหตุการณ์ร้ายที่ทุกคนเผชิญหน้าอยู่ยุติสงบราบคาบลงได้โอ้ดารินอุทานออกมาเราไม่ได้ตั้งใจจะทำร้าย หรือสร้างความพินาศทำลายล้างอะไรเจ้าเลยนะมันไรแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวและหมู่คณะเพราะในครั้งนั้นเจ้าก็สำแดงฤทธิ์เข้าก่อกวนรังควานพวกเราเหมือนอย่างที่เจ้ากำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เช่นกันเจ้าเป็นผู้สร้างปัญหาส่วนเราน่าจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาอันหมายถึงความอยู่รอดของเราโดยตรง เจ้าจงอย่าได้มากล่าวโทษอะไรเราเลยในเรื่องที่แล้วมาเฉพาะครั้งนั้นน่ะมันใครไม่ได้ถือโทษคุ้มแค้นอันใดแก่ฝาพระบาทเลยในเหตุการณ์ครั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นโดยเลก่กนของไอ้ผานใครคืออัคคีรุษในบันพัชชา ร่วมมือกับวิญญาณของขุนพลวรมันโดยแท้กระแสเสียงเห็บห้าสะท้อนตอบความหล่อนมามันจะเป็นภาษาอะไรหล่อนก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่หล่อนสามารถเข้าใจได้ทุกถ้อยกระทงความเพราะมันเข้ามาในสมองของหล่อนหาใช่ทางสูตรสัมผัส